แปดวสสูรว่าด้วยอุปมาด้วยฝนตก1034ภิกษุทั้งหลายเมื่อฝนเม็ดใหญ่ตกบนยอดภูเขาน้ำนั้นไหลไปตามที่ลุ่มทำซอกเขาลำธารและห้วยให้เต็มซอกเขาลำธารและห้วยให้เต็มแล้วทำหนองให้เต็มหนองเต็มแล้วทำบึงให้เต็ม เบืงเต็มแล้วทำแม่น้ำน้อยให้เต็มแม่น้ำน้อยเต็มแล้วทำแม่น้ำใหญ่ให้เต็มแม่น้ำใหญ่เต็มแล้วก็ทำมหาสมุทรให้เต็มแม้ฉันใดทำเหล่านี้ของอริยาสาวกคือความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าความเลื่อมใสอันไม่หว่นไหวในพระธรรม